งานงานหัวท่นดีเลิกพอไดี่ยวส่วนการชวงาน้าลุ่มให้ล่มหน้าอ่ะครับงายังานหลาได้ยุบถอาม่ทุกคนเจรอไม่พอม่พออย่างนี้ตอนเดอนดอน้ีจ้ะบ่พอจ ฟังเพียเอาก็ะุดหยอดลอยหมอนโกมวนอันซ่างโอ้ยสีกับั่งเพียได้ใล้ย่างเทีียียฟังอันทรัสาสายอันยีสายหลังางงงงงงงงงงงงงงงงงงงางงงง ปัญหาที่เป็นความบกข้าใจในเรือ่องของตามปฏิบัตินี่อย่างไงกำหนดบ่ถือบ่พิจารณาบ่เป็นบ่หรือคิดบ่ออกหรือตั้งแต่ หมายเพงว่าเวลาเขากลับไปไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเขาเห็นอย่างไงเขาเขาเสืเ่อมต้นอย่งไรหนึ่งทองบ่ทองก้อนบ่ทองธาตุบ่เด้ยเจ๊งไหนทองกบบ่อนมันบ่ทองแล้วเห้ยจงไหต่อวัอนนอนซัมี่เนาะอ๋อเดี๋ยวซัมมนาซมพี่านาความตายเออกับพี่หน้าความตายเนีย่นคยคือความสำคัญการพี่หน้าคว่มตายนี่ย โกรธทั้งหลายเขามองว่าความตายเป็นเรื่องของอัปมงคลพู้ไเจ้าว่าความการทพินณาความตายเป็นเรื่องมงคลเป็นมรณานุสติเป็นการสั่งสติขึ้นมาถ้าผู้ใดบริษัมารถยอมรับการทพินณาความตายใดผู้นั้นบหม่มีสติในชีวิตประจําวันเลยดำลงชีวิตอยู่ด้วยการขาดสตินอนรับกับซ้ำตายเหมนกันู้หูมื่อเคี่ยงยังรับหูมื่อิ่งคิ่งตอนตื่น ตอนรับแล้วปุ๊บโอ้โมันรับเด้คือใครหูอยู่วะรับแล้วจะค้องเป็นไนยา่างหากรับไปเลรอเด้ซ้ำตายเ พ, พื่อนมาเห้เพียนากรเ <ๆ S 2> หตุพียนากอนอนมาซ้ำหอตหนี่ไงไตแล้วร <c oughs> ูกขืนมาโบาเห็นอยากพี่น้องที่ไปยังได น, นอนีไปยังไดกันคิดใจคิดดวงคิดวดวงใจดวงหนีทีไปอยู่ยังไดเงี้ย่ะ ผู้ได้เจ้าพุทธสารเสสน์บุคคลพิทูพี่น้าคว่ำไตเป็นผู้มีสติหรือชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์แม้แต่ในครังพุทธการผู้ไดเจ้าเองเพื่นกับพี่น้าคว่ำไตโมเมนว่าเพิ่มศีลมาพิจารณาแคร์าสตรหนีคนหนีศาสตร์ก้อนมากเพื่นกับพิจารณาศาสตร์ก้อนน่าพุ่นอีกเพิ่นกับพิจารณาก้อนพุ่นอีกเพื่อนกับพิจารณาก่อนกไปพูนเพื่อนกับพิจารณาเพราะว่าการพี่น้าคว่ำไต เป็นสติสําหรับบุคคลผู้หวังประโยชน์เกือ้อกูลในชีวิตเจ้าของมุ่งค้นกับตีความหมายเรื่องความตายในทางธิบอดีแล้วก็หลงกลัวในสิ่งที่จะของตีความหมายขึ้นมาคิดขึ้นมาเองแล้วก็กลัวเองมืนกันว่ามัเป็นเรื่องของอัปมงคลในโลกนี้ก็เลยมีการแบ่งแบ่งงานมุ่งค้นงามอัปมงคลอัปมงคลว่าบอดี มงค้นจึงดีวะเนี่ยคือชาวโลกบรูบอกเข้าใจอยู่ภายใต้ความงมงายอยู่ภายใต้ความคิดความคิดมันเป็นความสําคัญอย่างหนึ่งที่จะดึงจิตดึงใจเข้าเป็นไปตามสิ่งที่มันคิดพุทธเจ้าบอกว่าคิดเรื่องได้มากยิ้กับสีนมเอยียงเป็นนเรื่องนั้นเมื่อคิดคิดมากเขาทำไมนีม่ในเรื่องที่รับดูรับสาบมาก ก็สะมีความเสื่อที่กะ น, นมไปเสื่อมันถ้าเสื่อนี่เรื่องบอดีมาเสื่อนี่เรื่องที่มันงมง่ายเท่ากับเป็นไปตามวิดเทียงความงมง่ายทีวิตเท่ากับถือความงมง่ายขอมําถือความงมง่ายชักหลากดึงไปเป็นไปตามความงมง่ายถึงแม้จะมีศาสนาเป็นสิ่งที่ประกาศสอนเรื่อง้องการตื่นหลุล่โลยยาหลงไปตามความงมง่ายสอนเรื่องสติสอนเรื่องปัญญาฝวกเทากับคสามารถรับสติรับปัญญา ที่พระเจ้าท่งสอนไว้ให้ได้ข่นก็บอกว่าพี่น่าคว่ำตายเป็นสติแต่ข้าก็บอกว่าความตายเป็นเรื่องของอัปมงคลเมื่อพี่น้าเบิ่งแหลี่ยมเขาเหตุส่วนทั้งพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดถ้าเหตุส่วนทั้งพระพุทธเจ้าแล้วข้าประกาศว่าพระพุทธเจ้าเป็นภาษาสดาได้ยังไน้นหรือไเมื่อข้าประกาศว่าพระพุทธเจ้าเป็นภาษาสดาเป็นผู้กล่าวสอนภาษาสดะผู้กล่าวสอนผู้พร่ำสอนผู้ชี้ทั้งผู้บอกทั้งผู้ก่อตั้งศาสนา ศา ส, สดาเนี่ยผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธสาวกเมื่อเขาย่อมรับว่าพวกโตโอมเป็นผู้ชี้ทา่าสอนทา่าไหนกรับเฮาเมื่อคําสอนที่โองส่งสอนชีไ้ไวมามรณนานุสติการที่น้กคว่ำตายเป็นการเจริญสติขึ้นแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอภิโมกคนเนี่ยคือโลกนั่นนะเขาถือเอาผูกโลกซึ่ง มีความงมงายแสกอยู่ในโลกถึอโลกตัวเนี้ยขอบงำยยใจใจถ้าเขาอยู่ภายใต้อำนาจของโลกเทากัเป็นไปตามกระแสโลกคือเป็นไปตามกระแสความงมงายแล้วความงมงายนเนี่ยโมเนความงมงายที่จะเกิดขึ้นแค่นในภพนี้ชาตินี้มันมีความงมงายมาแล้วหลายภพหลายชาติทุกภพทุพกชาติที่เคยเกิดขึ้นนะ่ะเขามีความงมงายมาโดยตลอดถ้าเขาบ่งงมงายเขาก็สิบพลไปแล้วตามพระพุทธเจ้าไปแล้วปัจจัยตามพระอริยสงสารทั้งหลายผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ลดพนไปแล้ว คือสิเขาปฏิพฤติพหันาปานในบุเรมมื่อเกิดเหตุหนากันหนุกแต่แสดงว่าเขามีความงุ่มง่ายมาแต่เดิงแต่เดิมเขาก็เลยยอมรับความงุมง่ายได้ไงแต่ในขณะที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ถึงแม้จิตเขาจะมีความงุ่มง่ายก็ตามแต่อย่าให้มันงุมง่ายไปจนบวมหูทีผูผูแดนให้มีทีบมีแดนทีบแต่ว่าหมองอยู่ทีปากมีทีบทีบเป็นภาษาบาลีด้วยทีบกับแดนนี่ มันเป็นถีเปนภาษาบาริแดนนี่คือขอบเขตเป็นภาษาไทยแปลทีปากที่ปากแล้ว่าอยังที่ปากแปลว่าเกาะเกา ะ, ะยังคือแปลว่าเกาะมนุษย์เท่าอยู่ในทะเลภูรเรียเพื่อเปรียบเทียบอยู่ในทะเลทุกทะเลในการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายพูดยังในทะเลก็ต้องวายหน้า ม, มาแล้วถอเห็นเกาะมันก็ได้ขืนเกาะมันก็ปล อ, อดภัยจากอันตรายจากง า, ากนเข้ามาธรรมะประดุดดัง เกาะเป็นทีปะเป็นเป็นดังเกาะพึงยึดถือธรรมพึงเกาะอยู่กับธรรมพึงขึ้นอยู่ขึ้นสู่เกาะคือธรรมเป็นว่าเป็นว่าทีป่างคือทีบอย่าไปล้งทีบลงแดนไปลงนามว่าเป็นของสนุกสนานนั้นขามันมาถึงผื่นพร้อมที่จะจมได้ทุกเมื่อจมลงไปในอบา ย, ยภูมิเป็นยังไงละบา้างม่ได้รับความทุกความยากลําลบากมนุษย์เฮาถฐานบ้านาาได้จมไปในทั้งหดบับใบเนี่ แค่ไปกระทําสิ่งที่จะเป็นไปเพื่ออาบายมันยังได้รับความทุกข์ความยากลําบากความเดือดร้อนแล้วเรื่องอาบายยมุมกสิจะไปสู่อาบายยมุ่เนี่ยเขายังบ้านไปอาบายยมุ่งเขาก็ยังได้รับผลซึ่งมาจากอาบัยมุกที่นำมาสืงความเดือดร้อนในกระเพามันขนาดนี่เห็นบอชีวิตเท่าที่ร้อยเวียนไหวตายเกิอดอยู่ในวัตฏสงสารเป็นทะเลทุกข์ ผู้เเราเลยหาเกาะมองมองคืนคนมาหามองคืนหามองยู่ที่ปักที่พึ่งเดียวยังเราเป็นมองเกาะมองยึดมองคืนบอ่อตังร้อยอนะมีทำเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งมีทำเป็นเกาะมีทำเป็นที่อาศัยจงพึ่งทำเถิดเพราะพึ่งทำแล้วจักพ้นจากทุกข์ต้งปวุมได้พึ่งอย่างอื่นบ่สามารถพ้นจากทุกได้แต่พึ่งทำ พนจากทุกได้พระเจ้าพระเลยพยายามกล่าวสอนธรรมบอกสอนธรรมท่ามอันใดก็ตามที่เป็นกล่าวสอนทั้งบทที่มีอยู่ในคําสอนตลอดทั้งชีวิตของพระองค์เนี่ยเพื่อกล่าวสอนในหัวเข้ามีเกาะมีทีพึ่งอยู่ภายในว่ายวนบ่ายไปตามกระแสโลกแล้วแต่กระแสโลกสิพัดท่าไปภายในห้องมีมองยึดคือหลักธรรมไม่้มีเพื่จิตเพื่อใจม อ, ง เ, อไไงเนี่ยสาระของธรรม เดี๋ยวจะยึดถือคือการปฏิบัติถ้ามีถ้ำแต่ไม่ปฏิบัติต้องเกิเป็นสาระบร่ใดศาสนาสิเป็นศาสนาบ่ใดเลยหากขาดผู้ปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของศาสนาถ้าว่มีการปฏิบัติแล้วศาสนาเกิดก็เป็นเพียงแค่ขํากล่าวสื่อว่าศาสนาพุทธศาสนากเก่าไปเบาไปอ้างอิงกันไปว่านับถือพุทธเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเกิดเมืองไทยส้องรับถือพุทธ ก้าอ่างกันไปเรเ่องทเป็นการการก้าวอ่างเพราะมีการปฏิบัติเลยปุโรหิตหลวงพก็เลยบอกว่าการปฏิบัติตามธรรมชื่อว่าเป็นการสืบต่อศาสนาเป็นการสืบทอดพระศาสนาเนี่ยแหละคือขอปฏิบัติถึงสําคัญมรณานุนสติการที่น่าความตายเนี่ยก็เป็นความสําคัญอย่างหนึง่งในบรรดาการปฏิบัติหรือในบรรดาคํามสอนอยู่วงชุง่มธรรมสอนใบหลวพระองค์ความสอนธรรมสอนหลากหลายมากไม่ เหมือนกับรอมค อ, อกง่วไไวงง่วอยู่ในค อ, อกย่งางไปถือมองได้ค อ, อกกับกันใบเบิดลถ้ำที่พระเยซ้สอนสิปฏิบัติในคอได้มันกับเป็นท่ำที่ตีอ้อมอยู่ภายในวงของาศาสนาเนี่ยมใม่ออกไปไา่นอกเหมือนไงท้ายึดถือเนี่ยาว่ยึดถือ ห้องออกนอกขอบเป็นพวกนอกขอกนอกศาสนาเอามาอายุนอกขอกนอกศาสนาเขาจับไปขาจับไปสูทีประหารลงขคาซัตดก็ไดเป็นว่าสัต์บ่มีขอกอยู่มนุษย์บ่มีศ า, าสนาซ้ำซัดบ่มีขอกอยู่่า ม, ามีรักบ่มีแรงจิตใจเขาเข้าเนี่ยละถ้าบ่มีถ้ำแล้วก็เหมือนกับโคบ่มีเจ้าของเหมือนไงเที่ยวจอนตาย ไม่ให้ให้เขาให้น้ำให้ยาให้น้ํากินเนี่ยดิบุรก็ถือเข้าไปขา่าข่าทิมอกุโสรถ้ำมาเลยเป็นเครื่องขาม่า น, นเป็นผู้ขา่าพยาม่านนําขามนุษย์บางจําพวกประดุษดังโคบมุมีขอบถือพยาม่านนําไปสู่ทีขากับมากไหมขาด้วยอํำนาจของอกุโสรร้ำคือบาปความคิดถือบ่ถือต้อง ขานิยมทางสังคมที่พิถีพีถยนทัดแย่งกับลักคําสอนไปโดยตลอดรักคําสอนกล่าวสอนไปอีกแบบหนึ่งภาษาศรัทาเข้ากล่าวสอนไ้อีกแบบหนึง่งขานิยมทางสังคมภาพประพฤติปฏิบัติไปอีกแบบหนึ่งแล้สวนทางกันสวนทางกันกระโจนบบไปในทิศทางเดียวกันประโยชน์ของการนับถือศาสนาจีดีมกตสัยเจ้าประโยชน์จังใดเขาหวังยังกับศาสนาที่เขานับถือกันอยู่ในเวลานี้ ก็ต้องหวังประโยชน์ในธรรมาเนี่ยเขาจะได้แต่กวัวเขาถึงว่าลูจแจงเห็นจริงในธรรมาได้สัมผัสกับธรรมันมันโมเมนต์สัสีสัมผัสได้ยงไงมันก็ต้องฝึกฝนปฏิบัติคัดเกลีจิตใจเจ้าของอยู่ตอลอดยุูิมื อ, อยุดบร่รใด น, นะตราบใดที่ยังควาสามารถเขาถึงมาผล น, นิพาียุดบอ่อใด น, นะพุทธเจ้าก็บอเคยยุดความผาดเถี่ยสัตว์นี่บอ่อันก็ปฏิบัติเอาหอดนะ ขาพบคขามสาั่นเนี่เรื่องเล่าของการปฏิบัตินีคามได้ปฏิบัติเพรเศรษฐี พ, อ พ, อพ่อภาษีอะไยังม่ไต่ก็ได้ไปพ่อมันถูกไหมขอปฏิบัติสิภาพไปหายเองบุตรมติขาฟังเทศมหาชาติสิบสามกันดอกดีบริรพวกฟังเทศมหาชาติสิบสามกันบเลยไป พ, อพ่อภาษีอ่านกันบมืดผู้ปฏิบัติท้ำได้หละ่ะปฏิบัติตามาศาสนาตามราคข้ามซังสอนอย่างแต่สิไป พ, อพ่อระษีอะไรเม็ไต่ภาษีอะไรเม็ไต่เพื่อนกันดี พิจณาบิางโง้บุคคลผู้นี้มาจากศาสนาของพระสมณะโคดมมาแต่สมัยพุทธละสองพันหารอยกสิบปีนางฟังเทศฟังท้ำอยู่หน้าโศกข้างนึงว่าทัน <c oughs> ทนดิพลน์ช่วงนั้นน่ะฟังไปที่ซื่อนี่แล้วไฟังพ่อได้เอาบุญไปพอประสิอนปรสิอนเป็นพี่หน้าเบึงโง้พ่อมิวปนิสัยอยู่จะนีแม้ว่าท่าน่ปฟังหาีขันหามาเทศเรื่องาศีขันหามบรรลุ ก, กัพบภพูฏาย่อมโองต่อไปก็ได้ได้ยังีง แต่เราบ่เคยสั่งเหตุว้ได้บ้านิบ่เคยฟังมาก่อนบ่เคยสั่งเหตุใบผู้เจ้าคำน่วเบึงโอ้ยพวกนี้บ่เคยเหตุยังบ่เคยฟังมาก่อนเลยบ่เคยศึกษามาก่อนเห็นแต่ตามแต่ไปพิจารณี่โลกเขาว่าไปเอาบุญเอาบุญไปเห็นเป็นบุญยังบ้านิเห็นแต่จวดตะบมไฟเห็นแต่แห่พระเบิเห็นแต่เห็นแต่กองกระถิ่นจังสันจังสี่ไปเห็นฟังหลักศาสนาฟังหลักคำสอนปัญญายังจิตใจบ่เคยได้ยินี้ฟังมาก ผู้เจ้าองค์ต่อไปเกิดขึ้นก็เพสามารถเทศโปดเอาใดดอกเพราะมบ่มีทุนเดิมภายในจิตพู้ได้เจ้าเฮานี่ก่อนสิไปโปรดโปสัต์เนี่ ย, พยเยพื่อกันนง่งพิจารณาก่อนเนี่ยเป็นกิจวัตรเลยแหละซูมืออะไรเระตอนเศร้านี่ยก่อนสิไปโปรดเนี่พรุ่งนี้จะมีบุคคลใดที่จะเข้ามาสูา่ใครแห่งพยานที่พระองค์ทรงแผ่ออกไปเพื่อที่สัตว์เหล่านั้นจะได้รู้ธรรมในวันนี้ เปการ น, นั่นงคำนวณเบิงกับป้ากฏ่าดวงจิตที่สะสมการฟัง่งถ้ำมาของผู้ดิเจ้าให้พบก่อนมากเดี๋ังค้ำสอนของผู้ดิเจ้าองค์กรมากเด้ฟังค้ำสอนธาริยสงสาว ข, ของผู้ิเจ้าองค์กรมากเด้ฟังค้ำสอนทา้งศาสนาสะสมมากหลายพบหลายศาสตร์ด้ฟังคำว่าพุทโธธัรมโมสังโฆมากบต่ตำก็แสนชานนนดดด๋ทองคถาดกับอาหารซีไว้ในใจ ก็ เ, เท่าไรเถี่ยวอยู่ในใจสะสมไวเป็นพื้นฐานคุณธรรเป็นอุปนิสัยของจิตตัวนั้นมันก็สื่แสดงขึ้นในกระแสะพยานของคุณได้เจ้าเปรียบเสมือนกันพู้ไดเจ้าถิ่มมองไปในความมืดมองไปในความ ม, ามืดพอแสงซ้ำฮิ้งควายขึ้นก็ไ ม, มีมีแสงขึ้นมาผู้นี้ละมองเข้าไปในความมืดจะเกิดแสงคือดวงใจนะ่ะดวงจิตดวงใจนะ่ะมันมี คุณท่ำภพ่ในพู้เยาใส่เข้ามาไฟแห่งอริมักขยานลุกโพรงอยู่เนี่ยผู้ที่มีอุปนิสัยของอริยมักไพ่นิจจิตจิตดวงนั่นสิมีสามารถบรรลุถึงถ้มใดบันผอไหมผู้เยาก็เร่งไปมื่อสิซ้ำแนมไปในความเบื่อเลยกับดวงไฟเห็นดวงไฟเกิดขึ้นเห็นแนมขอมไปนี่จิตค้ น, หนเห็นเป็นแสงสว่างแห่งไฟอริยมักลุกโพรงลุกโพรงจ้าอยู่เนาะ บุคคลผู้นี้จากได้บรรลุทำเราจากไปโปรดพ้นพ้นแนมพอไปแล้วแนมไปนีกินในใจเห็นแต่ความหมึดโว้ยเศร้าโกรธเพื่อจะไปปวดให้ห้องเพื่อจะไปสอนห้องย่างกายซื่อๆนี่แหะผู้ไเจ้าโมซ้นใครละองค์ุริมันมีไฟอริยมาคาย่านอยู่ในใจแต่เป็นโจรมาเนี่ยเป็นโจรถึงแม้สิมิพฤติกรรมเป็นโจรแต่ว่าปิดบัง ไฟอริยมักขยานผู้พิจารณาทรงสอดซองอยู่บ่ได้หรอกเพิ่นมองเพิ่นแนมเห็นอยู่เพราะบุคคลนี่จะบรรลุธรรมคือไม่เสียป็นโจชนก็นตามไปบ่เนี่ยไปโปดโจรเพราะเขาจะต้องบรรลุธรรมใดเนีน่นั่นนี่กับบรรลุเป็นโจรมีไฟอริยมักขยานเพราะเป็นจิตที่ได้ถูกอบรมมาดีแล้วแต่ปางก่อนศาสตร์นี่มันอบรมบดีแต่ว่าศาสตร์กวามมันอบรมมาดีเมื่อ อ, อบรมมาดีแล้ว มันกับพร้อมเพียงที่จะลองรับถ้ำมะของปัสสามาสัพพุเดจเจ้าจิตดวงได้ก็ตามที่บริโภคล่มมาแต่ปางกอนรพุยเจ้าเทพอยู่ลอยเถือนพันหลกับปัสามาวะรูยังไดหรอกมันก็มืดบอดอยู่เพื่อกเอาปนะ่ะเนี่ยพอบริษัทส ม, มัยมวัวแต่แฮ่แห่กันอยู่มวัวแต่ตีกองลอง่องลำท้ำเพลงจุดดวงไฟกันอยู่มันจะไปได้อีย่างไงพุยเจ้าเพิ่นเอาอยู่บ่ละพวกเนี่ยนะว่าเอาพุยป้าถิ่มเหมือนตัวกระถาคดชักสะพาน ทิ้งเสียกับบุคคลเหล่านั้นเจ้าอยู่แบบชักสะพานเพราะคถอดสะพานมันเทศนาให้แล้วบวามสามารถที่จะคัดเกลจิตใจเลยมันจะชักสะพานหนีเสียบ่สนใจบ่อบรมบ่สั่งสอนแล้วหนี ซ, ซื่อๆนี่พุทธเจ้าแต่จิตใจมืดบอดไรนี้นพุทธเจ้าเพื่นเปรียบเทียบบุคคลไปประดุดดั่งมา้าสี่ประเภทประเภทแรกสอนไงมาสอนไงเห็มันกินยาโลดมันสอนไงประเภทที่สอง สอนไงสอนหยากกวมาประเภทแรกแต่กบบระบวนกาินกําหยากมากสอนได้ยุให้มันกินหยาหน่อยๆถามมันเห็ดไดแล้วจังเห้มันกินหยาคนว่าพอเพ็ที่สมสอนหยากลงมาอีกมากึกฝึ่ม า, ม า, มาให้มันเห็ดใด้ะก้อนจังให้มันกินคนว่าคุณเจ้ากเปรียบเทียบจำพวกที่สมมากจำพวกที่สามมีสอนอยังได้ก็สอนบ่ไ เคียนนั่นได้กับฝึกบไดายพระนเจ้าก็เลยถามคนฝึกหมาว่าม้าที่ไม่สามารถฝึกได้เธอจะทําอย่างไรกับหมาเหล่านั้นคนฝึกหมาก็บอกว่าข้าพระองค์ก็ฆ่าทิ้งพระเจ้าค่ะมีประโยชน์เอาไปกับุ่มีประโยชน์ดังมันถอดไหมศาสนาเราตถาคตก็เหมือนกันเอ๋อเหมือนกันอย่างไรหรือพระเจ้าค่ะบุคคลในาศาสนาตะถาคตเนี่ยบุคคลผู้ใดสอนไม่ได้ตถาคตก็ฆ่าทิ้ง โอ้ภาษาสระาขาโคตอยู่เบย์เนียว่ะสอนอะไรกัสิพี่ขาเขาอยู่เบย์เนียรฆ่าสิวะั่นการไม่พูดการไม่สอนการไม่บอกการไม่อบรมการไม่ให้อวัตคือการฆ่าในธรรมีในของสถาคตเมื่อสอนอะไรสิพี่สอนยังไงคือการหลังเขาสอนลูกสอนหลานสอนบะไรสิพี่เมื่อท า, ส, าสอนมันยังกระโดดกระเดียดนักเกยจะคของสื่อคุณมั่วใจจะคล่องสื่อหรือเว้าให้เทศบ้านเขาฟังเขาบอสนใจว่าไปไม่ได้เขาบอสนใจ เร้าขึ้นมาไอพี่หาบอกคาทีมบต้องไปสนทนานั่นนั่ต้องไปบอเบ้านั่มไบอกเรื่องอื่นก็บอกเลยอยู่แต่จะไปบอกทำหมนันนะ่นะแงบ่บอกแงสิเป็นเหตุทะเลาะบาอกบป็กันแต่งแย่กั น, น, นเกิลยุพะเจา้าเปนหูบุกคนที่ขวรจะรูถ้ามีอยู่สามจำพวกจาพวกแรกรูไงจำพวกที่สองรูซาแน่จัน้อยจำพวกที่สามนี่ซาแต่ก็ได้ต่พวกที่่บได้รรเลยฝึกยังได้กบได้สอนยังไดก บ, บรูคนเนี่ย บ่ต้องไปสนใจมาทีเป็นไพก็ตามเป็นหยกักเป็นพี่เป็นหนองเนี่กระตามบ่ต้องอกกไปสนใจอุ้ยประโยชน์ยังเพื่อนใหม ย, ยึดถือเอาสาระที่จะเป็นประโยชน์กับเพ้าแล้วก็พูดปฏิบัติตัวเองไปเนี่ยทำคำสอนของผูเจหญ่พูดสอนไว้เพื่อบอกไปเปรียบเทียบให้เข้าด้เห็นบุคคลพู้ใหญ่เลยบอกว่าบุคคลสามจมพวกนิดน้อยแต่บุคคลจมพวงที่สมีหลายมายพวกซ้อนอยาดซ้อนเย็นนี่มีหลายบุคคลอบรมจิตใจเฉพางมา คือการหลังห่ออย่าไปฟอพระเีอริยเมตไตรอบรมแต่จะตอนนี้เวลานี่ฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระเสีอริยเมตไตรก็ต้องมาสอนเรื่องธาตุสีขันธ์ว่าบอกไงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะไม่ละเลยในเรื่องการสอนธาตุสขันธ์หาอยธระมหกอริยสัจสีเด็ดขาดสติปทานสีสั ม, มปปทานสีอิน 5, รีห้พละหโพธงเจก็กมรรค พระพุทธเจ้าจะไม่ละเลยองค์ธรรมเหล่านี้พระศิสอนถ้าเขาได้ยินได้ฟังอบรมใจเจ้าของอยู่เรื่อยๆพอไปฟังอีกก็พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปโวยมันเกิดบรรลุดได้ไงเนาะเป็นมาประเพณิแหลกอะไรเป็นเพศซ้องที่ใดแตามันอยากลายเพททีสามยังหน่อยก็ยังได้อยู่ไงวทธี่ามฝึกแกน่ยังหน่อยใส่วิเนยควบคุมฝึกฝนเจ้าของอยู่เรื่อยๆเอาเอ า, เอาวิเนยมาเป็นเครื่องกำลัง ตีกอบให้เจ้าของในการบำเพ็ญปฏิบัติจนมันเพียงพ่อต่อการรู้มันกระรูดขึ้นมาได้ไหมเนี่ยรักถ้มของพุทธิยพระสอนมันว่าจาเป็นว่าจะต้องสำเร็จในชาตินี้ว่าจำเป็นว่าต้องบรรลุในชาตินี้แต่เรารู้รักเหตุลับผลรู้ทั้งะสิ่งใดเป็นห้ามสิ่งใดบกเป็นห้ามสิ่งใดก้นยู่ถือบกยึดถือเนี่ยยังเช่นยึดถือพระราตนาตรัยได้นี่ก็ดีแล้วว่าไหมว่าจะเป็นว่าต้องสำเร็จทุกคนถ้าสําเร็จได้มันก็ดีบม่ได้ห้าม แหงอยากให้ได้อยู่แหอยห่ด้บวจะพายกะไร้แต่มันก็บวยบ่ไดล้ววะ้อเหอ็นแล้วจะันไมจสิสาเร็จจรงเหรอเมื่เกิดอยู่กับปัญยาพีห น, <c oughs> น, น้าฮะมาเยังไงเนี่ล่ะก็เป็นเมื่อบ้านทองถานแล้วก็นอน <c oughs> <m uch ing> มันะเ อ, อานมาสาเร็จนอนปีนี้ป <c oughs> <c oughs> ไปคิดอยู่ว่าหลังกายเป็นดินยังไง ด, ดิคิดบ่าอนๆๆ เป็นยังไงเป็นน้ำยังไงเป็นไฟยังไงเป็นลมยังไงพิจารณาบ่อรอจิตเยอะออเดีคิดแหงดีพี่หน้าแหงดีนั่นแหละบมันเลืยบุญเลืยกุศลเหมือนมันเป็นเรื่องของอย่างเป็นสติขปัญญัตเป็นเรื่องท่าสายกลางเป็นเรื่องหมักเป็นเรื่องผลเหมือนจะเป็นหมักเป็นผลทรงผลที่ออกจากวันตาบุญเท่ากับเหตุเหตุไปภาวนาเท่ากับสางสางทางให้เจ้าของ บุญกับเป็นทา้งวนเวียนแต่ภาวนาเป็นทั้งออกอการวนเวียนถึงแม้ยังวนเวียนอยู่กับเป็นวนเวียนในท่างที่ดีคืออยู่ในวัตฏะที่ดีเป็นสุคติภูม่มกระสางทั้งออกเกิดในชัติได้ก็ตามต้องสางทั้งออกสางมากการพิจะะารณากายพี่หน้าจิตอยู่สองย่างนี่แหละที่มันติดมันของมันค่ามไปใช้บอะไรไม่ไายกับจิตนี่แหละต้องพี่หน้าย่ am, ำย่ำซ้ำซ้ำพี่หน้าแล้วพี่หน้าอีกพี่หน้าอยู่ไปๆพี่หน้าอยู่เป็นประจำ ยัละถิ่งยะขอดธุระใกนการพิจารณาในาเรื่องอื่นบระด็มีความ ส, สาําคัญสำคัญยิ่งเหรอเดเมพิจารณาถ้ำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนส า, าสานสาราสําคัญศาสนาคือลักคําสอนอักขระตัวหนังสือคําพูดคํำสอน อ, น อ, อนียังกตามที่เป็นเครื่องสื่อถึงถ้ำ ม, มาที่จะสามารถเพ็รแห้เห่อเกิดสติเกิดปัญญาได้ซึ่งนั่นแหละคือซึ่งที่มีคุณคา่าซึ่งอื่นไม่มีคุณคา่า ชีวิตของเหานี่ที่แท้จริงแล้วชีวิตของเห่าบริบูรณคุ้นใครยังเลยพอชีวิตของเห่ามีแต่โตทุกและโตทุกตัวนี้แหละที่มันบีบให้เห่าดิ่ดล้นขนควายกันอยู่เสมือนี่เพราะมันถุกถ้าบรเเ็ณนั้นก็บทุกถูกก็ต้องเห็ดกาต้องสร้างก็ต้องแปลงก็ต้องมีความเป็นอยู่ในโลกกระเฮ็ดกันไปแต่อย่าเยืดถือว่าเป็นสาระสาคัญสาระสาคัญคือหาข้างออกจากกองทุกไม่สร้างเส้นทางเส้นทางมาแฝดคือพิจารณาโตทุกคือโตเห่าแต่โตไกายนี่ย พีหน้าพีหน้าอยู่หันละวันคืนล่วงไปล่วงไปอย่าปล่อยให้มันล่วงไปซื้ อ, อแล้ววันขึ้นที่ล่วงไปล่วงไปมันก็บ่ได้ล่วงไ ป, ไปซื้อวะแม่มันเอาอายุกับไหว้องเข้าไปพนควมชีวิตอของเขาก็ดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าให้คุณงามความดีดับไปเพาะเหตุสางคุณงามความดีเพิ่มพูนไปเรื่อยๆอย่าให้วันเวลาล่วงไปล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ะการพีนีพิเจรณ า, าไม่แต่เส่นผมเส่นเดียวเพราะพีเจรณาอยู่หาหน้าที่ซิหน้าที่มันก็ได้ประโยชน์ด้วยวแม่ เศษผมนี่จูดไฟเผามันเป็นยังไงเป็นดินเป็นดินเน่ะเว้เป็นขีเข่าเน่ะเว้จูดเบิดหัวเป็นยังไงมันก็เป็นขีเข่าเบิดหัวนะเว้จูดเขาไป็นนังหัวเป็นยังไงมันกับเผาใหม่ไฟนี่ยเผากับเผาใหม่จนหนังใหม่นังเปื่อยนังเป็นขีเข่าขีเข่าเป็นผุยเป็นผงไดลกันเผาไปหัวกระโดกมนันมันกับเป็นผุยผมไดกันะไฟเผาเผายังหัวกระโดกแดงโหลขึ้นมาก เป็นทิพเทาใดไรเรื่อยเลยเทากไปฮาโคมกระดูกในไก่มันนี่ไ่นเผาไปหอดแขงหอดขาทีชนะน่าเผาเอาไฟเผาน่าจะเปเผาวีรีด้วยคิดเอาคิดความคิดพิเศษพี่อยัางไรคิดได้ไหมเนาะคิดให้จิตมันรู้ไหน่ะคิดให้มนจิตมันรู้มันรู้มันเข้าใจแล้วมันรู้ซึกจะคล้องวาโอ้ยเขามาอยู่กับอียงมาอยู่กับผีเทาตัวนี้แม่มา จิตคืสิเดลูเมื่อจิตมันเกิดความรู้ขึ้นมามันสี่คอยแกะไขภายในของมันเองมันสีค้นหาคําตอบอันไรเป็นความจริงเขาก็บอกความจริงกับมันความจริงคือยังความจริงคือโตทุกความจริงหรคือถ้าเขาบัลลูมันบัลลูความจริงตัวนี้บัลลูโตทุกหนก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นอีกจิตอยูสิหาคําตอบเมื่อห้อยให้ความจริงกับมันไปเรื่อยมันได้คําตอบในภายในเมื่อมันได้คําตอบในภายในหมดแล้วมันปฏิบัติโตของมันเอง โว้ยกูเบอเอาตรงหรอกเกิดศาต์ได้กูเบอเอาอกแต่สาสตร์นี่มันมีแหลวกลขั้วใจก็ดูแลมันไปนักสามันไปประกับประคองมันไปเลี่ยงดูมันไปสร้างการสางงานสร้างอันนี้ให้มันพามันอยู่พามันเป็นแต่บรยุทธ์มันถือมันใ้โตของไก่ของใจมันทำไเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของก่ของใจเป็นเรื่องที่มีความสาคัญกายเขารับผู้ได้แต่ใจเนี่เขารับรู้บดได้หรือไมมีแต่ความรู้สึกมันยู่ใส่ะรจับต้องกบได กายจับได้เส็นผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปัมหัวใจตับพังผืดไตปลอดใสใหญ่สน้อยอาหารไม่อาหารเก่าเขาหลับรู้มันเขาเห็นมั image. นอยู่จับต้องมันได้อยู่แต่ใจมันรลับรู้บ่ได้ยุไส่ละหาโกมันเอโตนบ่มีมันอาศัยยังเกิดขึ้นมันจึงมีใจอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงมีแต่บ่มีเวทนาบ่มีสัญญาบ่มีสังขารบ่มีวิญญาณมันก็บบ่มี เหมือนกับไก่เขานี่ล่ะอาศัยดินอาศัยน้ำไฟล่มเป็นฐานเป็นดินน้าไฟล่มเขาเรียกว่ามหาพูดมหาพูดนี่ว่าเป็นเป็นพูดใหญ่เป็นหลุใหญ่เหนพ่อแม่พูดลักหมายถึงมาบรรดารูปมเท่างหลายทั้งปวงจะตั้งอยู่ใดก็ต้องอาศัยดินน้าไฟล่มนี่เป็นหลักบ่มีดินน้าบ่มีบ่มีดินน้าไฟล่มนี่บ่สามารถสิเป็นรูปมล่างเด้เลยก็ยังจิตใจเนี่ยบ่มีดินน้าไฟล่มนี่หันเป็นรูปมล่างบ่ได้เป็นน้ำ อะไรก็ตามม่อมีดินนําไฟร่มในหันอนนันเป็นน้ําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เขาสามารถสัมพัดรับรู้ได้มีดินมีนำ ม, มีไฟมีร่มในหันเป็นรูปเป็นรูปเปรูปกับน้ํารูปกาย น, าน้ำใจเนี่ย่สองอย่างมันเกี่ยวของกันดูกายเขาเนี่ยเห็นพี่หน้าได้ส่วนไดป็นดินนําไฟร่มใจเดือบันพี่น้ า, นนนนา ม, ม, าาามองไในพี่น้าอาการแล้วบ่เนี้ยี่น้าอาการอาการความันอาการยังอาการสุบ อาการทุกข์อาการบวซุปบวทุกข์เนี่ยอาการจําอาการคิดอาการที่รับรู้ที่นะ่อาการของมันบอกไงว่ามองเข้าไปในไพ่ในตัวได้ก็ตามเป็นตัวรับรู้มองอันนั้นอนะ่ะตัวที่รับรูนะ้สิ่งในก็ตามสัมผัส ท, ทางตาหงจอบุกทิ้กายใจทานเข้าไปแล้วรับรู้เกิดการรับรู้เมื่อมีการรับรู้มันเกิดปรากฏกับใจสิ่งรับรู้ทั้งบดเนี่ยเป็นปรากฏกับใจ สิ่งใดกระามรับรู precis, child, <re ces> well <re> ้ทางตามหูจ <re> ม <hehe> ูกลีดไก่ด้วยปากกนกับใจเบดเมื่อไปปากกนกับใจใจตัวเนี่ยสิ่งทีรับรู้แล้วนี่สิรู้หรือสิ่หลงมานี่รับรู้อย่างนึงเมื่อรับรู้แล้วสิรู้นสิ่งที่รับรู้หรือสิหลงนี่สิ่งที่รับรู้รับรู้เขารับรู้สิ่งต่างๆมากมายในมือเกิดเป็นหอดสูมือนี่รับรู้อย่างรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่เกิดถึงกับชีวิตของเขาคืออารมณ์อย่างแน่ อารมณ์พ่อใจอารมณ์บ่พ่อใจอารมณ์ซุกใจอารมณ์ถูกใจอารมณ์เสียใจอารมณ์เศร้าใจอารมณ์พ่อใจอารมณ์ยินดีอารมณ์เบิกบานอารมณ์ต่างๆนานาทั้งหลายมีทั้งบีบคั้นมีทั้งปลอดโปร่งมีทั้งสุกทุกเศร้าโศกโสมนัสโทษมนักเศร้าใจเสียใจดีใจพ่อใจนี่ล่ะอารมณ์หลากหลายทั้งหลายเราพวงกรณีข้อศีลูหรือข้าศีลหลง ทางเข้มันกับบลหลงทางเข้าหาลงมันก็บ ulk, กบลรูมีอยู่แค่นี้ผู้ชายพวกระบอกว่าให้ตั้งสติรับรูอารมณ์ที่กระทบกับใจตั้งสติรับรูแบบไหนตั้งสติรับรูว่าสิ่งที่มากกระทบกับใจนี่มันก็แค่กระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับกระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับกระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับกายเป็นฐานสีดินนำไฟล่มใจเป็นสิ่งที่รับการกระทบเกิดขึ้นกระดับเท่าดีล่ะที่ผู้ใหญาส่งสอนสอนให้เข้ารูอยู่เพียงแค่นี้ คือโดยย่อเนี่ยนี่บโดยย่อไว้มายน่นย่อลงถ้าแบบพิสดารเลยสอนอายตนาออกไปรับรู้หูแล้วเอาลมทั้งตาหูจะูกกลินกายใจรูปอารมพันธารลมสัทธาลมคิวหาพันธาลมอย่งพวกละภาษาเพิน่นแต่ว่าบอห้องปต้องไปเอาปันน้ำดอกเอาแค่จอดเนี่ยกายกับใจของเขาเนี่ยมันรู้ความจริงของมันเอารู้ยู่งสี่ไว้อยู่เรื่อยเอยอย่างอื่อออนบ่นมีความจริงหอกกากับใจนี่ยนะเป็นตัวแสดงออกถึงความจริง แต่ที่บอกเรื่องความจริงกับเ้าอยู่นี่เนี่ยนิ้่งายในใจเข้าเนี่ถ้าเบานอกกายหนอกใจบ่กมีความจริงยังเนี่ยมาลู่แล้วมันกับบอลงถ้าลงมันกับบรลู่เข้าสีลู่หรือเข้าสีลงอยากลู่อยู่แต่มันบอลลู่จะเคลื่อนก็ยังมีก็ยังหลงอยู่แต่ว่าสีลู่มันสีรู่มันมาทำกระทบเต็หนึ่งปังเขามาโอ้มาท่านมันจะเคลียร์เลยร้อยส่วนเอาไปเลยจะไปนํามันจะย่ำไหนมังเทียบ ทุกใจขามมือขามขึ้นไปทุนเลยตัวสีว่างมันได้ตัวสีโป่งมันได้มันก็บรรูปทุกทีการลูบบรได้ไม้ถึงว่าจะต้องลูบท่านเสมอไปนะลูบมันกระทบคนล้วปุ๊บแล้วก็ถูกอารมอมบีบขั้นจนเป็นความทุกข์ภายในแล้วมันตั้งอยู่มันบดับเขาก็รับรู้อาการที่บดับนะการนี้เขารับรู้อาการที่บดับถึงแม้มันจะทุกอยู่แต่เขาก็ลูบ มันมันเป็นเรื่องเสียหา ย, ยพอเขารู้อยู่บ่ิจาเป็นว่ามันจะต้องดับการลักลู้ว่ามันจะต้องว่าจะเป็นต้องต้องดับเป็นเพียงเทา่าขณะที่เขารู้อยู่น่นอะอย่าหลงเท่านั้นเองอย่าหลงการรู้บ่ิจาเป็นว่ามันต้องต้องดับเสมอไปสิ่งที่กระทบใจเกิดตาเป็นความความทุกข์หรือความสุขแต่ขอให้รู้ไว้แล้วก็อย่าหลงให้ไหนยังบ่หลงกระู้อยู่น่ะมันก็บ่หลง แต่บางทีก็หลงมาทัานหลงยังหลงเป็นทุกตามอาการที่มันเกิดยังหน่อยห ล, ลงเทาก็ยังรูไปไวหลงอยู่นะมันยังมีตัวรูปตามประกอบอยู่รู้หลงก็รู้ว่าหลงเมื่อรู้ว่าหลงมันก็บรหลงมันก็อยู่แค่นี้เนี่ยคือวิธีการหรือว่าอุบายถ้มที่เท่าจะต้องทำคล่องพอใจมันต้องท่านเพราะว่าจิตของเท่านี่มันมีอารมณ์หลากหลายที่จะเพี้ยให้เทาอยู่พอเป็นสุขเท่ากับ ขวบคุมมันบดได้หรอกมันเป็นน้ากายยังพอควบคุ้มได้อยู่แต่กระบอสามารถกวบคุ้มได้ตลอดไปแต่จใจนี่พี่กวบคุ้มยังกรบบาดเลยเพราะนั้นแหละเขาจะต้องสั่งตัวสติสัางข้อมรููขึ้นมากอย่าหลงไปตามอาการทางกายและไรกับทางใจเมือ่อเขาบวกลงตามอาการทางใจกายทางใจแล้วทุกกระดับไปได้ทุกกระรเกิดขึ้นทุกกระบอมีที่อาศัยทุกกระบอสามารถสื่อต่ อ, ขอเข้ามาในใจได้มา ก, ก็สิรูจักการกระทํา ซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ให้แน่ใจว่าสิสินส้นทุกเมื่อใดสิ้นทุก์แบบใดสิดับทุก์ได้แบบใดเขาก็สิปรสงค์ใในธําคำสอนของผู้ปฏิเจา้า น, นะที่บายทำมากจะเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอว่างต้องเอาลายเอาทำนี่แหละเขเป็นยาก็ะไซ